มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาจะตุทวักมาสิการะลักษณะปัญหาที่หนึ่งถามว่า มานาสิการะเจตสิกเมื่อเกิดนั้นมีลักขณะอย่างไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ประเสริฐมานาสิการโรอันว่ามานาสิการะเจตสิกเมื่อจะบังเกิดนั้นกิ่งลักษโนมีลักษณะประการใด พระเจ้าวิลินปินกษัตริย์ตรัสถามดังนี้พระนาคเษนมีเถระวาจาแก้ไขว่ามหาราชาดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐมนสิการเมื่อจะเกิดอาวัชนะลักขณูมีลักษณะพิจารณาขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสว่ากัลโลสิสาทุสะพระผู้เป็นเจ้ากล่าวนี้สมควร มานาสิการะลัขณะปัญหาที่หนึ่งจบเท่านี้